ธมะานิพานเรียกว่าเป็นบกเนี่ยนะพระอรหันต์ที่เรียกว่าเป็นพรามผู้ตั้งอยู่บนบกเนี่ยนะได้แก่นิพานที่เรียกว่าบกก็เพราะว่าความสงบสังขารทั้งปวงความสละทืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความสำรอกตันหาความดับความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดเนี่ยนะคำว่าพรามพรามก็เป็นชื่อของพระอรหันต์พระอรหันต์ซึ่งลอยธรรมะเจ็ดประการสกายะทิถิวิจิกิจชาศีรพัตต์ปรามาราฆโทสะโมหะเนี่ยนะ คำว่าพราหม์ตั้งอยู่บนบกความว่าพราหมณ์คือผ้าหั่นนั่นน่ะตั้งอยู่บนบกคือตั้งอยู่ในธรรมะเป็นที่พึ่งตั้งอยู่ในธรรมะเป็นที่ป้องกันตั้งอยู่ในธรรมะเป็นที่พักพิงตั้งอยู่ในธรรมะเป็นสาระตั้งอยู่ในธรรมะไม่มีภัยตั้งอยู่ในธรรมะไม่มีความเคลื่อนตั้งอยู่ในอมตะตั้งอยู่ในนิพานตรงนี้นิพานละชื่อด้วยกันคือนิพานเรียกว่าบกเรียกว่าที่พึ่งที่ป้องกัน ที่พักพิงสารณะที่ไม่มีภัยไม่เคลื่อนอมตะนิพานเนี่ยนะสั์เดียวโดยความหมายอันเดียวกันคําว่าผู้นั้นเนี่ยสลัดสิ่งทั้งปวงได้แล้วเนี่ยนะพาหันนั่นนะท่านสละอายตระณสละตาสละรูปสละหูสละเสียงสละจมูกสละกลิ่นสละลิ้นสละรสสละกายสละโพธภาษสละใจสละธรรมดมมันพวกนี้เรียกว่าสิ่งทั้งปวงคำว่าสละหมายถึงตัดฉันนราคะ ในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยนะไม่ได้ไปฆ่าตัวตายอะไรที่ไหนหรอกนะแต่หมายถึงการตัดฉันทราคะในอายตนะทั้งปวงนั้นคําว่าฉันทราคาในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกเป็นกิเลสอันผู้นั้นละแล้วตัดรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาญยอดด้วนถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุใด แม้ด้วยเหตุเท่านี้สิ่งทั้งปวงชื่อว่าอันผู้นั้นสละสำรอกปล่อยละสละคืนแล้วตันหาก็ดีทิฏฐิก็ดีมานะก็ดีเป็นกิเลสอันผู้นั้นละแล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนถึงความไม่มีในภายหลัง มีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุใดแม้ด้วยเหตุเท่านี้สิ่งทั้งปวงชื่อว่าอันผู้นั้นสละสํารอกปล่อยละสละคืนแล้วตัญหาทิฏฐิมานะบาปอากุศลทุกชนิดเนี่ยนะพาหาันทานละได้หมดเลยปุญญาพิสังขารก็ดีอปุญญาพิสังขารก็ดีอเนนชาพิสังขารก็ดีดคือกุศลเจตนาอกุศลเจตนาในไตรธ า, าตุเนี่ยนะ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 ผู้นั้นเราบอกกล่าวพูดแสดงถแถลงว่าเป็นผู้สงบเข้าไปสงบเข้าไปสงบวิเศษดับระงับแล้วเพราะฉะนั้นผู้นั้นแหลเรากล่าวว่าเป็นผู้สงบสรบุปคถาที่กล่าวไปว่าผู้เป็นมุนีคือผู้มีโมนยธรรมทางกายวาจาและใจไม่ก้าวล่วงจากวาจาสัตยานัสสัจะและอริยมรรคสัตเนี่ยนะเป็นพรามณ์ตั้งอยู่บนบกคือพระนิพาน ผู้นั้นสลัดสิ่งทั้งปวงคือสลัดฉันทราค้ในสิ่งทั้งปวงคือทั้งอายตนะภายในอายตนะภายนอกผู้นั้นแหละเรียกว่าเป็นผู้สงบก็คือสงบอะไรสงบบาปอากุศลได้ทุกชนิดเนี่ยนะคาถาต่อไปว่าผู้นั้นแหลมีความรู้เป็นเวทคูรู้ธรรมะแล้วไม่อาศัยผู้นั้นอยู่ในโลกโดยชอบย่อมไม่ใฝ่ฝันต่อใครๆในโลกนั น, ะ น, น ผู้มีความรู้นะก็หมายถึงพระารหันเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ถึงวิ ช, ชามีญาณมีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทําลายกิเลสท่านนั้นเป็นเวทคูก็คือญาณในมัคสีเรียกว่าเวท น, นะท่านผ้ารหันเนี่ยท่านเป็นผู้มีญาณในมัคสีทั้งโสดาสกธาคามีอนาคามีมัอคมมมอราหารัตมักเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก้าวล่วงเวทนาละความยึดถือในเวทนาทั้งปวงโดยสิ้นเชิง อผู้ที่มีความรู้คือมีปัญญาถึงเ ว, เวทคูก็คือได้ยานอริยมรรคสิในอริยมรรคสีรู้ธรรมะแล้วไม่อาศัยคําว่ารู้คือทราบพิจารณาเทียบเคียงทําให้แจมแจ้งทําให้เป็นแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอเนี่ยท่านทําแจมหมดแล้วแจ้งหมดแล้วไม่มีส่วนเหลือว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ย ปฏิจจสมุปาทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ร, รู้เหตุเกิดความดับอ า, าอาศะทาอาทีนาวานิสระของขันห้ามหาภูตรูป4เนี่ยนะแล้วก็ภาษายตนา6นะรู้ยิ่งซึ่งอภินญ ย, ยธรรมปริญยยธรรมปหาตปธรรมสัจจิกาวตประธรรมภาเวตปธรรมตลอดจนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดา นันเรียกว่าเป็นผู้รู้อย่างนี้นะรู้แล้วก็ไม่อาศัย <c oughs> ถ้ารู้อริยสัจด้วยดีด้วยประการดังกล่าวไปก็ไม่อาศัยตัณหาไม่อาศัยทิฏฐินันความอาศัยอผู้นั้นละความอาศัยด้วยตัณหาสละคืนความอาศัยด้วยทิฏฐิเป็นผู้ไม่อาศัยไม่พัวพันไม่เข้าถึงไม่เยื่อใหญ่ไม่น้อมใจไปออกสละพ้นขาด <c oughs> ไม่เกี่ยวข้องซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกี่ยวข้องซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมรมณเนี่ยนะไม่เกี่ยวข้องในขันายตนะท่าทั้งปวงอ่นนะนะแม้กระทั่งรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโพธิภพ ท, ที่ทราบอารมณ์ที่รู้แจ้งเป็นผู้มีจิตอันทําให้ปราศจากแดนกิเลสอยู่เรียกว่ารู้แล้วไม่อาศัยอันท่านรู้อรยิยสัจโดยประการทั้งปวงอย่างนี้แล้วไม่อาศัยตันหากับทิฏฐิในทุกอารมณ์ ผู้นั้นอยู่ในโลกโดยชอบเนี่ยนะความว่าฉันทราคาในอายตนะภายในอายตนะภายนอกเป็นกิเลสอันผู้นั้นละแล้วเรียกว่าตัดความเยื่อายในภายในภายนอกหมดเกลี้ยงเนี่ยนะตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาญยอดด้วนถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุใดแม้ด้วยเหตุเท่านี้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เที่ยวไปอยู่ผลัดเปลี่ยนอริยาบท ประพฤติรักษาบำรุงเยียวยาอยู่ในโลกโดยชอบเรียกว่าใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีกิเลสกับทุกอารมณ์เนี่ยนะมันเรียกว่าอยู่โดยชอบจริงๆเหมือนกับว่าถ้าเรามีที่น่ารื่นรมที่น่าเที่ยวที่สุดเนี่ยให้คนที่บริสุทธิ์ทางกายวาจาใจาไปเที่ยวเนี่ยถามว่าจะน่าชมขนาดไหนว่าท่านไม่ไปสร้างความเสียหายในสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วมันภาหารเนี่ยท่านไม่มีอกุศลต่อต่อสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะ ปุญญาพิสังขารก็ดีอปุญญาพิสังขารก็ดีอาเนินชาพิสังขารก็ ด, เกดีเป็นสภาพอันผู้นั้นละแล้วตัดรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาญยอดด้วนถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุใดคือเมื่อตัดตันหาถ้าตันหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับ น, นะสังขารคือปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนญชาพิสังขารก็ดับหรือว่าถ้าสำร้องอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารอย่างนี้ก็ดับเมื่อท่านตัดตันหาตัดอวิชาตัดอุปาทานได้โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะสังขารทั้งปวงก็เป็นอันดับนั้นผู้ที่ดับสังขารเรียกว่าทําลายกรรมได้หมดแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้หมดหนี้่นะเป็นผู้ไม่มีหนี้ไม่มีสินนี่เงี้ย ท่านก็เป็นผู้เที่ยวไปอยู่ผัดเปลี่ยนอิริยาบถประพฤติรักษาบำรุงเรียวเยียร์ยาอยู่ในโลกโดยชอบท่านผู้ที่มีหมดหนี้หมดศินคือหมดกิเลสแล้วก็บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเนี่ยนะบริบูรณ์ด้วยโพธิปัจขยธรรมบริบูรณ์ด้วยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยดำรงอยู่ด้วยทั้งที่เป็น อ, อาเขาสขะศีลเนี่ยนะอาเสขาสมาธิอาเสขาปัญญาเนี่ยอเสขาวิมุตติอเสขาวิมุตติยานทัศน์ ผู้ที่มีคุณธรรมเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีที่อยู่ในโลกแบบอย่างมีความสุขนะนี่ศีลก็ไม่มีร่ำรวยด้วยทรัพย์แล้วก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีภัยเนี่ยนะท่านถามว่าจะมีความสุขขนาดไหนก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในในโลกโดยชอบจริงๆคำว่าย่อมไม่ใฝ่ฝันต่อใครๆในโลกเนี่ยนะตัณหาน่แหละเป็นเรียกของความใฝ่ฝันเนี่ยนะใฝ่ฝัน ในรูปเสียงกลิ่นรสโภธาภาเนี่ยธรรมรม์เนี่ยพวกความใฝ่ฝันก็ใฝ่ฝันด้วยตันหาราคะสราคะอภิชาโลภาอากุศลมูลตันหาอันเป็นความใฝ่ฝันนั้นอ่ะอันผู้ใดละตัดขาดสงบประงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสรยจแล้วด้วยไฟคือยาผู้นั้นย่อมไม่ใฝ่ฝันต่อใครๆไม่ฝันด้วยตันหาเนี่ยนะไม่ฝันถึงกษัตริย์พราหมณ์แพทยสูตร กระหัตบรรปชิตเทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่ใฝ่ฝันต่อใครๆก็คือไม่ปรารถนาด้วยอำนาจฉันตราคะในในบุคคลใดทั้งนั้นแหละมันสรุปว่าผู้นั้นแลมีความรู้คือมีปัญญาเป็นเวทคูรู้ธรรมคือรู้อริยศาสตร์แล้วไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิผู้นั้นอยู่ในโลกโดยชอบย่อมไม่ใฝ่ฝันต่อใครๆในโลกนี้นะก็คุณธรรมของพระอรหันต์เนี่ยท่านเป็นอยู่แบบนี้กัน ผู้ใดพ้นขาดกามทั้งหลายและเครื่องคล้องที่ล่วงได้โดยยากในโลกผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่เพ่งเลง็งเป็นผู้มีกระแสอันตัดเสียแล้วมิได้มีเครื่องผูกก็เป็นคุณธรรมของพาาระอรหันต์อีกเนี่ยนะว่าเป็นผู้พ้นการ <c oughs> ผู้ใดข้ามพ้นกามทั้งหลายและเครื่องคล้องที่ล่วงได้โดยยากในโลกเนี่ยนะ ก็คือคำว่าผู้ใดผู้ใดคือผู้เช่นใดประกอบอย่างไรชนิดอย่างไรมีประการอย่างไรถึงฐานะใดประกอบด้วยธรรมะใดเป็นกษัตริย์พรามแพทย์สูตรครือหัดบรรพชิตเทวดามนุษย์เนี่ยนะคำว่ากามก็คือวัตถุ ก, กามกับกิเล ส, สกามเครื่องข้องก็เครื่องข้องเจ็ด อ, อ, อย่างนะราคาโทสะโมหะมานะทิฏกิเลสทุจริตเรียกว่าเครื่องข้อง เกี่ยวกัในโลกคืออบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธาตุอายตนะโลกนะพวกกามทั้งหลายเนี่ยล่วงได้โดยยากความว่าผู้ใดได้ข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงเป็นไปล่วงซึ่งกามและเครื่องข้องที่ล่วงได้โดยยากล่วงไปได้ยากข้ามขึ้นได้ยากพ้นได้ยากก้าวล่วงได้ยากเป็นไปล่วงได้ยากฉะนั้นจริงชื่อว่าผู้ข้ามพ้นกามทั้งหลายและเครื่องข้องที่ล่วงได้โดยยากในโลก ก็จริงจริงแล้วโลกทั้งเทวโลกเป็นต้นก็ติดข้องอยู่ในสิ่งเราเนี่ยนะติดข้องในวัตถุกรรมด้วยอำนาจกิเลสกามข้องด้วยอำนาจราคาโทสะโมหะกิเลสทิฐิทุจริตเนี่ยนะแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ข้ามพ้นได้อนั้นผู้ที่ข้ามพ้นสิ่งที่ข้ามได้ยากอย่างนี้นะผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่เพ่งเลง็งผันพระอรหันต์เนี่ยท่านจึงยังไม่เศร้าโศกในวัตถุที่แปรปรวนหรือวัตถุแปรปรวนไปแล้วก็ไม่เศร้าโศกถึง คือท่านย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่รำพันไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลว่าจักสุโสตะคานาชิวหากายไม่เสียใจพระรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพสกุลคณะอาวาตลาบยศสรรเสริญสุขจีวณบินธบาเสนาสนะกีฬ า, าปัจจัยเภศัชบริคารไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดามิตรอมาตพวก้องญาสาโลหิตของเราแปรปรวนไปแล้ว ท่านคำนวณว่าไม่มีอะไรเสียหายแล้วท่านสะเทือนใจแม้แต่นิดเดียวใจก็ยังปกติตามเดิมหมดนะนะพันท่านเรียกว่าไม่เศร้าโศกตรงกันข้ามกับผู้ที่มีฉันทราคะใช่ผู้ที่มีฉันทราคาอันะมีฉันทราคากับสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นแปกไปก็เสียใจไปกับสิ่งนั้นคําว่าไม่เพ่งเล็งก็คือไม่เพ่งเล็งไม่เพ่งถึงไม่มุ่งถึงไม่มุ่งหมายถึงอีกอย่างหนึ่งผู้ใดย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่เคลื่อนไม่อุบัติ เพราะฉะนั้นเรียกว่าผู้ไม่เศร้าโศกไม่เพ่งเล็งคําว่าเป็นผู้มีกระแสอันตัดเสียแล้วคำว่าไม่มีเครื่องผูกตันหาเรียกว่ากระแสอภิชาโลภาอกุศลมูลกระแสตันหานั้นหรือตันหากระแสนั้นนะเป็นกิเลส ช, ชาติอันผู้ใดละตัดขาดสงบประ ง, งับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้น เผาเสียด้วยไฟคือยานผู้นั้นเรียกว่าผู้มีกระแสอันตัดเสียแล้วไม่มีเครื่องผูกนะนะก็คือไม่มีเครื่องผูกเจประการไม่มีเครื่องผูกคือราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตเครื่องผูกเหล่านี้อันผู้ใดละตัดขาดสงบระงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานผู้นั้นไม่มีเครื่องผูกเพราะฉะนั้นว่าผู้มีกระแสอันตัดเสียแล้วไม่มีเครื่องผูก สรุปว่าผู้ใดข้ามพ้นกามทั้งหลายและเครื่องคล้องที่ล่วงได้โดยยากในโลกผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่เพ่งเลง็งเป็นผู้มีกระแส อ, อันตัดเสียแล้วไม่มีเครื่องผูก